เหมือนจะบดหัวใจให้เป็นแผลตอนที่4ความหลงในความเป็นไม้สูงเกลียดและขยะขยงทนไม่ได้ที่จะเป็นต้นหญ้าจึงเหมือนไฟสมขอนให้จิตใจร้อนละอุอยู่เสมอเขาก็เปรียบะนะว่าจะเอาต้นไม้ใหญ่อยู่เรื่อยอยากจะเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่เรื่อยถ้าเป็นหญ้าเตี้ยๆนี่ไม่ยอม ฉันไม่ยอมหรอกเพราะาต้นไม้เตียดนี่มีแต่คนเหยียบยำ่ำนะส่วนต้นเป็นต้นไม้สูงนี่มีแต่นกเหยียบย่ําเท่านั้นนะักคนมันเหยียบย่ําไม่ไหวอ่ก็นึกถึงเรื่องขําๆอะมาก็เล่าให้บางคนฟังแล้วแหละที่ไปภูผาพอไปภูผาเสร็จนะมีทั้งชาวสันติมัง่งมีทั้งชาวศรีษะบ้าง นะพอดีหลังงานพุท ธ, ธาแล้วเขาก็ขึ้นไปที่ภูผาเสร็จแล้วในระหว่างทางปากทางเข้าที่จะเดินไปถึงศาลาที่ภูผาฟ้าน้ำเนี่ยก็เดินไปก็คุยกันไปใหญ่เลยคุยกันไปก็มองแงนดูไอ้พวกต้นไม้สูงๆกันใหญนะ่มองไปก็คุยกันไปมองไปก็คุยกันไปเสร็จแล้วก็คุยกันบอกว่าเออเดี๋ยวพวกเรานี่นะที่เนี่ยเขาว่าสตรอเบอรีร่อร่อยเดี๋ยวเราจะไปปีนต้นสตรอเบอรีร่เก็บกัน เราคุยกันไปเรื่อยคุยกันไปเรื่อยก็เดินเข้าไปเรื่อยเดินเข้าไปเรื่อยนะเดินเข้าไปจนกระทั่งเขาก็บอกว่าอ้อนีถึงแล้วเนี่ยนี่แหละเขาปลูกต้นสตรอเบอรี่กันแถวนี้แหละแล้ก็มองหากันใหญ่เอ๊ะต้นสตรอเบอรี่มันอยู่ไหนวะเดี๋ยวจะได้ปีนเก็บกันไปเขาว่าที่นี่โซดโอ้โหหอมอร่อยแล้วนะพ่อเก็บจากต้นเลยไง มองไปมองมาเขาชี้เนี่ยนี่นี่ชี้ลงพื้นดินนี่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ชี้ไปที่ปลายยอดไม้เพราะต้นสตรอเบอรี่นี่มันเหมือนใคล้ายต้นยาเนี่ยมันมันมันเตี้ยแค่นั้นเองแต่พวกเราไม่รู้ไงเคยแต่กินลูกสตอรอเบอรี่แต่ไม่เคยเห็นต้นสตรอเบอรี่เพราะฉะั้นก็เลยโอ้โหเดินไปมองกังางงานใหญ่แง้แขนคอมองที่ไหนได้ต้นสตอรอเบอรี่เตี้ยเท่าต้นญ้าเนี่ คืออตาตมายกตัวอย่างนี้จะให้เห็นว่าคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันชอบที่จะมองอะไรสูงสูงโดยเฉพาะนะมองตัวเองแต่คนอื่นนี่มักจะมองคนอื่นเตีย้ยเตี้ยแต่มองตัวเองนี่มักจะมองสูงสูงนันเป็นกินเลสอย่างหนึ่งของคนเรานะซึ่งอันนี้เราจะต้องรู้ว่าอย่างนี้แหละมันทำให้เราเนี่ยหลงตัวเองได้นะแล้วหลงมาเยอะต่อเยอะแล้วโดยเฉพาะยิ่งคนที่บางที เรียนมากหรืออ่านหนังสือมากหรือทํางานเก่งนะหรือว่าสามารถจะหารายได้มาได้เยอะพวกนี้มักจะหลงตัวเองได้ง่ายเพราะคิดว่าไอสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นหรือตัวเองทําได้อันนั้นแหละเป็นความสูงส่งของตัวเองแล้วก็จะทําให้จิตใจเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงทั้งๆ ท, ที่บางคน ไม่ได้หมายความว่าเก่งในทางธรรมอะไรนี่นะเก่งในทางโลกนี่แหละแล้วก็หลงตัวเองแบบทางโลกหลงจนกระทั่งบางทีเนี่ยดูหมิ่นคนอื่นซึ่งเป็นคนดีกว่ามีศีลธรรมนะมีคุณธรรมที่ดีกว่าแต่กลับไม่มองคุณธรรมเขากลับจะไปมองในเรื่องวัตถุเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นโลกโลกแล้วก็จะยกย่องเชิดชูบุคคล ที่สูงส่งแบบโลกโลกอย่างนั้นแหละส่วนคนที่เป็นคนดีคนที่มีคุณธรรมนะซึ่งบางทีเนี่ยวัตถุอาจจะมีน้อยนะชุดเสื้อผ้าหรือว่าอะไรต่างๆผมผ้าอะไรเนี่ยก็ยิ่งเรียบง่ายอย่างเงี้ยบางทีจะโดนดูบิน่นหรือโดนดูถูกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับไล่การศึกษาหรือว่าโง่โงเซ่อเนะแต่งตัวไม่เป็นเชยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งปกติจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะต้องระวังนะถึงว่าอย่าไปสรุปคนแต่เพียงภายนอกนะบางครั้งดูบางคนหน้าเหมือนคนปัญญาอ่อนแต่ไม่แน่นะเขา อ, อาจจะจบด็อกเตอร์มากระนั้นนะอาจจะเรียนมากไปจนหน้าชักจะดูปัญญาอ่อนก็ได้ไม่แน่เรอกมา <c oughs> มีเหมือนกันนะบางคนโอ้โหคิดไม่ถึงนะยิ่งถ้าแบบว่าเขาถึงขั้นไปลงไล่ลงนาหรือว่าไปกำแดดกำฝนนี่นะมึงที ดูออกเป็นดูเป็นด็อกเตอร์ออกอยากอ่าจริงๆใช่ไหมถ้าถ้าถ้าลักษณะไปไปทํางานเหมือนกับชาไรชานาหรือว่าทํางานแบบจับ ก, กังบางทีมองข้างนอกดูไม่ออกแล้วต่อให้คนนั้นจบด็อกเตอร์มานี่ยอาตมาสมมุติเนี่ ย, ม, ม, ยมันดูเปลือกนอกก็ไม่ได้แล้วแต่อันนี้นี่อตาตมายกตัวอย่างแบบโลกโลกแต่ยิง่งถ้าเป็นทางธรรมเนี่ยคุณจะรู้เหรอเนี่ยว่าใครเป็นพระโสดาบันคุณจะดูรู้หรือเปล่า มันมีอะไรที่บอกให้รู้ว่าเป็นพระโสดาบันนะดูที่จมูกแล้วถ้าจมูกสิงโตแสดงว่าเป็นพระโสดาบันหรือว่าหรือว่าจะจะมูกแบบเหี่ยวโอ้บางคนเนี่ยจมูกแบบเหี่ยวเลยเล้อย่างนี้เหรอมันเป็นสัญลักษณ์ของพระโสดาบันหรือว่าดูที่หูอ่ะต้องหูยนันญาณเหมือนกับรูปที่เขาปั้นพุทธเจ้าอ่ะใช่ไหมหยูยาวยาวหูยันญาณหูหูอย่างนี้เหรอถึงจะเป็นพระโสดาบัน ไม่ใช่โง่เห้งพวกนี้มันไม่ได้หมายความว่าเป็นสัญลักษณ์ที่จะให้รู้ว่าเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิธาคามีหรือว่าเป็นอนาคามีหรือว่าเป็นพระอาหันต์คุณสมบัติเหล่านี้นี่ไม่เกี่ยวเลยมีชาดกอยู่เรื่องหนึง่งขนาดภิกษุเนี่ยดูหมิ่นภิกษุด้วยกันอตอนแรกยังไม่เป็นภิกษุถ้ามาจําไม่ผิดนีนะเราแรกเป็นคารวะหลังคอมปรากฏว่า หลังคอมหรือยังไงเนี่ยนะแบบว่าคือพูดง่ายๆว่าหน้าตาทุเลต์อัปลักษะเออแหมไม่ใช่ทุเลตก็ตาอัปลักษ์ใช้คําพูดผิดแล้วหน้าตาอัปลักษห์าากหุนเฮินก็อัปลักษ์นะบางทีเพื่อนภิกษุหลายๆรูปด้วยกันก็อะไรอย่าดูหมิน่นแต่ที่ไหนได้ต่หลังพระเจ้าท่านตัดบอกนี่แหละเธอไม่รู้อะไร ในวันนี้แมมฐานะสมบูเป็นเนี่ยที่อาตมาบอกเป็นพระโสดาบันเป็นพระสิกธาคามีไปนอนาคามีอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. พเจ้าก็ตัดให้ฟังบอกนี่นะฐานะอย่างนี้ทีเดียวนะ mm hmm. บอกอย่าไปดูหมินท่านนะเพราะอันนี้พระเจ้าท่านจะมีตัดจะมีสอน mm hmm. วันพวกเราบางทีถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ระดับไหนณนะฐานจิตของเราระดับไหนเนี่ยเวลาเรามองคนอื่นเนี่ยการมองของเราก็มองไปตามฐานจิตของเรา คุณมีคุณภาพของจิตขนาดไหนคุณก็มองไปตามนั้นน่ะคุณไม่สามารถจะมองเกินภูมิปัญญาของตัวเองไปได้หรอกเพราะมุมสะท้อนกลับมามุมหนึ่งก็จะทำให้ถ้าเราสังเกตนะเราจะรู้เหมือนกันว่าฐานของเราเนี่ยมันอยู่ระดับไหนภูมาทำเราเราอยู่ระดับไหนเพราะมุมตกมันเท่ากับมุมสะท้อน้วมันจะสะท้อนกลับให้เรารู้ตัวเองเหมือนกันว่านนี้เราลองสังเกตดูตัวเองด้วย เอเมื่อใดที่ใครเห็นต้นหญ้าคือพันไม้ที่ทำให้โลกคือโลกหากขาดต้นหญ้าเมื่อใดป่าก็สูญโลกก็จะสลายเมื่อนั้นแหละชีวิตจิตของชีวิตผู้นั้นจะเริ่มแข็งแกร่งเล่ากับหินผาขึ้นบ้างแล้วโดยจริงคืออันนี้เขาบอกว่าถ้าใครมองต้นหญ้าเนี่ยนะให้เห็นเลยว่ามันมีความสำคัญนะ ช่วยให้โลกเนี่ ย, ยชุ่มชืน้นนะช่วยบังดิ น, นดอาจจะช่วยให้ปุ๋ยอะไรเงี้ยนะจนกระทั่งเพราะมีต้นย า, ยานี่แหละถึงได้มีสีเขียวหรือว่าทำให้ต้นไม้อื่นก็อะไรอ่ได้ขึ้นด้วยป่าก็เกิดอะไรเงี้ยคือถ้าใครเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยนะถึงจะถือว่าเออคนนั้นเนี่ย มองในสิ่งที่มันสร้างสารรค์มองในสิ่งที่มันจะจันรองจั น, ร ง, จนรงชีวิตตัวเองนะแล้วก็จันรงสิ่งอื่นนะให้มันเกิดคุณค่ามองอย่างมีคุณค่าในชีวิตขึ้นมาจริงๆพระพุทธเจ้าบางครั้งเนี่ยท่านก็เปรียบเหมือนกันนะท่านเปรียบว่าให้คนเราเนี่ยบางทีคิดถึงตัวเราเองเนี่ยให้เหมือนกับเรามีชีวิตเหมือนกับต้นหญ้าเนี่ย นะอย่าไปคิดอะไรมันมากพ่อท่านมีแต่งเป็นสำนวนขยจำได้บ้างนะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนักหรอกมันไม่ได้อักครฐาน่มนะมันก็เหมือนกับต้นหญ้าอะไรนะ <c oughs> เหมือนกับต้นหญ้าที่เขาเหยียบย่าได้เอออย่างนั้นมันจะเกินไปหรือเปล่าเห <c oughs> ยียบก็เจ็บพมดสินะต้นหญ้านี่หมายถึงว่าเออ อย่า ไ, ไปหลงตัวเองว่ามันสูงส่งอะไรบางทีชีวิตคนเราเนี่ยมันน้อยๆมันเล็กๆนี่แหละนะฮะให้เรารู้จักเจียมตัวให้เรารู้จักมักน้อยให้เรารู้จักสันโดษอย่าไปหลงมักใหญ่มักสูงมักใหญ่ก็คือต้องมีบ้านหลังใหญ่ต้องมียศตำแหน่งใหญ่ๆมีรถเก๋งใหญ่นะถ้ามักสูงก็คือต้องอยู่บนหอคอยสูงบนอะไรอ่ะตึกใบโยคมันกี่ชั้น ยีชั้นเหรอยีบสี่ชั้นเดี๋ยวนี้ตึกอะไรสูงที่สุดเนในเมืองไทยฮะเขาก็สร้างกันอยู่บ่อยๆเลยไม่รู้เลยตึกอะไรสูงสุดเอาแล้วนะว่ามีตึกอะไรที่สร้างขึ้นมาโอ้โหไม่ได้หรอกถ้าฉันจะพักนี่ฉันต้องไปอยู่ชั้นสูงสุด World ์เทรดเซ็นเตแล้วมันมีกี่ชั้นน่ะโถ่ไม่รู้ว่ามีกี่ชั้น <c oughs> แล้วรู้ว่ามันสูงที่สุด <c oughs> แม่ <c oughs> เอาละไม่รู้แล้วนะก็สมมุติให้ฟังแหละอา้าวอันนั้นเป็น 4.1 นะเป็นหัวข้อที่1ที่เขาบอกว่าเป็นการเรียกร้องนะตอนนี้ 4.2 ลงโทษหรือป้ายความชั่วให้คนอื่นนะสิ่งอื่นนะเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า projection ดูนะอันนี้เป็นวิธีการอย่างไหนเนี่ยพวกนี้บางทีก็เรียกว่าพวกไม่เคยทำผิดเลย ถ้ามีอะไรผิดขึ้นมาเป็นต้องโทษโน่นโทษนี่ให้วุ่นวายไปหมดตัวเองไม่ยอมโทษพระพุทธองค์ตัดไว้ว่าโลกเหล่านี้ก็คือกายาวานาคืบกว้างสอกแต่คนเรากลับไม่มองชอบป้ายสีให้แก่โลกอื่นๆเสียเรื่อยผู้นั้นจึงยังไม่พ้นโลกยังดักดานอยู่กับโลกความผิดนั้นไม่มีหนึ่งขึ้นชื่อว่าผิดจะต้องประกอบด้วยสองเสมอ ปรบมือข้างเดียวดังที่ไหนถ้าแม้รูปแบบที่เขากระทำมาวงเล็บกายกรรมจะไม่ควรวงเล็บแต่ไม่ได้แปลว่าผิดก็ตามถามโมนโนกรรมผู้รับกระทบซิว่ามันวันไหวหรือเปล่าถ้าวันไหวเรานั่นแหละผิดทางโมนโนกรรมอย่างเต็มเป่าการแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆนั้นจึงต้องแก้ที่จุดสองจุด จุดแรกก็แก้ที่ตนก่อนอย่าให้ผิดที่มโนกรรมวงเล็บกรณีที่กายกรรมหรือวจีกรรมเราไม่ผิดจริงๆแต่อย่าเข้าข้างตัวเองก็แล้วกันวงเล็บปิดแล้วจึงไปแก้ที่ผู้อื่นถ้าทำได้ก็ช่วยถ้าสุดจะฝืนก็ปล่อยวางอุเบกขาเสียคือ 4.2 เนี่ยนะเขาพูดในประเด็นที่ว่าคราวนี้ไม่ได้เรียกร้องความช่ใจแต่เป็นการที่ มักจะโทษคนอื่นเวลาไปทำอะไรเกิดขึ้นเนี่ยวิธีแก้ปัญหาของคนคนนั้นก็คือโทษคนอื่นไว้ก่อนทุนพาสิตสอนไว้โทษคนอื่นไว้ก่อนวันพออะไรพลาดอย่างเงี้ยอย่างเช่นบางคนเนี่ยแม้จะเป็นคาอุทานนะทีเดินลงบันไดอุ้ยตกบันไดเงี้ยใช่ไหมโครมลงมาบางคนร้อง ตาเทนตกมนได้ <c oughs> ไปโทษตาเทนทำไมก็ไม่รู้นั <c> ่น <oughs> จริงๆต้องต้องโทษตัวเองอ่ะนะ <c oughs> แม้จะเป็นคำอุทานก็นแล้วแต่นะ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจริ ง, รงๆเลยกิเลสคนเราเนี่ยมันจะปกป้องตัวเองอันนี้นะจริงๆจะต้องบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะปกป้องตัวเองไม่อยากให้ใครเนี่ยมากล่าวหรือไม่อยากให้ใครเนี่ยมาโทษมาว่าเรา รวมไปทั้งตัวเราเองเราก็ไม่โทษตัวเราเองเราก็ไม่อยากว่าตัวเองเราจะปกป้องตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องระวังอันนี้ให้ดีกิเลสตัวนี้วันพอเวลาเกิดพลาดพังเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ต้องถามตัวเองก่อนเลยว่าเออเราพลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่าเออเราผิดตรงไหนหรือเปล่าพยายามจํามันี้ให้ดีถ้าใครเนี่ยหมั่นพยายามจํามันี้ไว้นะโอโหรับรองได้เลย คนนั้นนี่นะจะสงบปากสงบคําได้เยอะนะจะไม่เที่ยวด่าคนโน้นไม่เที่ยวด่าคนนี้ไม่เที่ยวป้ายป้ายโคลนนิ่ง <c oughs> นะไม่เที่ยวป้ายโคลนไม่นิ่งอะสาดโคลนเลยละ่ะนะเที่ยวป้ายโคลนสาดโคลนคนอื่นเขาเนี่ยถ้าใครมีความระลึกนะอันนี้อยู่เสมอเสมอจะช่วยได้เยอะเลย แต่ส่วนใหญ่มักพลาดนรมาบอกได้เลยส่วนใหญ่มักพลาดนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพอมีอะไรขึ้นมาปั๊บนี่ทันทีเลยไวนะไวมากเลยเนี่ยให้ใครระลึกย้อนย้อนดูภาพตัวเองก็ไดนะ้เพราะพอมันเกิดอะไรขึ้นปั๊บนี่มักจะอ้าวเออเพราไอ้นั่นพราะไอ้นี่คือจะโทษออกนอกตัวเป็นส่วนใหญ่เพราะฉั้นคนที่โทษออกนอกตัวเนี่ยนะมนก็มีแต่ว่าให้คนอื่นเขาแก้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแก้ เนี่ยมันเป็นการป้องกันตัวเองอย่างนี้แต่ถ้าเราพยายามโทษมันที่ตัวเราเองก่อนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยต้างเป็นผู้แก้เพราะนั้นไอ้ความลำบากมันต้องเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนัคนที่ไม่กล้าตั้งตนเบืองความลำบากเนี่ยมักจะโทษคนอื่นคนที่กล้าตั้งตนเบืงความลำบากเท่านั้นถึงจะกล้าโทษตัวเองเพราะอันนี้ให้แม่ น, นความผิดอ่ไม่ใช่เนี่ย ความเห็นแก่ตัวความกลัวเสียหน้าหลงในลาบยศสรรเสริญจึงเป็นตัวการใหญ่ที่พยายามป้ายสีให้แก่ผู้อื่นตลอดเวลาพวกนี้จึงเป็นธรรมดาที่มักจะป้ายความดีให้แก่ตัวเองบ่อยๆเล่าเรื่องอะไรก็มักจะมีความดีของตัวเองปรากฏแพลมออกมาเสียเลื่อยนะครับแล้วเขาก็ยกตัวอย่างขับรถไปชนคนอื่นก็หาว่าคนอื่นขับไม่เป็ น, นวงเล็บ ตัวเองขับเป็นคนเดียวนะวงเล็บปิดอ่านั่นตัวอย่างหนึ่งนะทั้งที่ขับรถไปชนคนอื่นนะแต่แต่บอกว่าคนอื่นขับไม่เป็นเจอไหมใครเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมเอออาจารมาว่าอาจามาเคยเจอของจริงนะโอ้โหพอเขาเปิดประตูลงมาเนี่ยบอกเลยเอ็งขับรถยังไงวะเนี่ยเ <c oughs> นะี่ะทันทีเลยอ่าตัวอย่างที่สองกินเหล้าเมายา พอใครถามตอบเสียโก้เลยบ้านผมมีปัญหาครับแฟนไม่ยอมเข้าใจผมนี่ก็โทษคนอื่นเหมือนกันนะไปโทษเมียที่บ้าน <c oughs> ตัวอย่างที่สามเรามันซวยเหลือเกินเทวดาองค์ไหนนะที่แกล้งข่านะอันนี้โทษเทวดาตัวอย่างต่อไปบ้านคุณไม่ดีหันผิดทิศ ต, ต้นไม้ขวางหน้า ลาบไม่เข้าบ้านมันถึงสวยเรื่อยนะวงเล็บพวกนี้เรียกว่าโยนความชั่วให้สิ่งของวงเล็บปิดนะอันนี้ว่าใครรู้ไหมนเนี่ยพวกนี้พวกนั่นไงพวกหวงจุยง้ย <c oughs> ที่เขาต้องดูทิศทางลมต้องดูอะไรต่ออะไรนะแล้วก็โทษลมโทษอะไรต่ออะไรเนี่ยทำให้ลาบหดนะดีหมดอะไรอย่างเงี้ย ดีดีศูนย์นะโทษนั่นโทษนี่ไปเรื่อยอีกตัวอย่างหนึ่งปฏิบัติธรรมไม่สำเร็จก็หาว่าอาจารย์ไม่ดีมูคณะใช้ไม่ได้เอ๊มีไหมเนี่ยใครเคโทษหัหยโอ้ถ้าโทษถึงขนาดนี้นอาจะมาว่าหนักมากเลยคนนั้นจริงๆนะส่วนใหญ่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยประวัติศาสตร์ของพวกเราเชาวโนี แม้แต่คนที่หลุดออกไปจากนอกหมู่เราเนี่ยหาน้อยรายมากนะที่จะมาโทษว่าหมู่ไม่ดีหาน้อยรายมากหรือว่าจะมาว่าบอกว่าพ่อท่านนี่ไม่ดีเปล่าอันนั้นมันเป็นแค่ประเด็นแต่ว่าถ้าเขาจะบอกอันนี้เราหมายถึงส่วนรวมเข้าใจหมส่วนรวมเนี่ยบอกว่าโอ้โหพ่อนี้พ่อท่านนี้ ไม่น่าเขาลบไม่น่าศรัทธาโดยรวมๆเลยเข้าใจไหมยังยังไม่มีเลยแต่ไอ้ส่วนเรื่องที่เขาไม่พอใจบ้างมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาจะต้องมีความไม่พอใจในบางจุดหรือว่าบางเรื่องทําให้เขาอยู่ไม่ได้ไงก็นั่นแหละแต่เท่าที่ผ่านมาของที่เราเนี่ยยังหายากเลยอันนี้เท่าที่อจะมาเจอแล้วก็เท่าเท่าที่จะมาฟังข่าวนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะ คนที่แบบว่าถึงขั้นพยาบาทหรือว่าเกียรติชังพวกเราเลยแล้วก็หืมว่าหนักๆว่าแรงๆมีเหมือนกันอเพียงแต่ว่าจะต้องอาตมายกตัวอย่างนี้หมายถึงคนที่ต้องอยู่กับเรานานๆนะนะรู้ระบบลูกเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรานะอาจจะเป็นแบบว่าเป็นเท่าไหร่5้าปี1ิปีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แหมมาอยู่แค่ อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์โอ้โหแล้วก็บนว่าแล้วก็ไปอะไรเงี้อยอย่างงั้นมันยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่รู้จักเราดีพอเลยนะนี่เป็นความแตกต่างกันอ่ส่วนอีกตัวอย่างหนึง่งป่วยไม่สบายแทนที่จะยอมรับความอ่อนแอก็หาว่าเป็นเป็นเพื่อสอนธรรมะให้แก่คนอื่นเอ้มยังไงวะนะป่วยไม่สบาย แทนที่จะยอมรับความอ่อนแอก็หาว่าเป็นเพื่อสอนธรรมะให้แก่คนอื่นป่วยที่จริงป่วยไม่สบายนะแต่แทนที่จะรับความอ่อนแอก็หาว่าเป็นเพื่อสอนธรรมะให้แก่คนอื่นอ๋ออ๋อใช่หมเออ อพอจะเข้าใจแล้วนั่นแหละที่บอกว่าเป็นเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นเขาใช่ไหมให้เขาเห็นว่านี่แหละฉันเนี่ยเอเอเป็นตัวธรรมะที่จะเป็ น, เ, ปนเรียกเรียกบุญคุณด้วยนะเ ร, ยเรียกเรียกอาบุญคุณด้วยนะฉันเนี่ยจะเป็นตัวธรรมะให้คนอื่นเขาได้เห็ น, นว่าฉันป่วยนีน่ <c oughs> <c oughs> เออฉลาดนะอืม คือแทนที่จะยอมรับว่าจริงๆแล้วตัวเองไม่เก่งนะนะทําอะไรไม่เข้าท่าหรือไม่ก็จัดแบ่งเวลาไม่เป็นจนทาให้ป่วยใช่ไหมแต่แทนที่จะยอมรับตัวนั้นเนี่ยก็บอกว่าอา้าวฉันเป็นตัวอย่างให้เธอได้ดูไง <c oughs> นี่จะเห็นว่าตัวเองไม่ผิดเลยแท้จริงสิ่งที่เกิดเป็นเพียงเหยื่อล่อธาตุแท้ของมนุษย์แต่ละคนให้ออกมาเท่านั้นเองบางที ก็ป้ายร้ายความคิดความอ่านของตัวเองไปให้คนอื่นเช่นตัวเองเกลียดเขาอิจฉาเขาก็กลับพูดให้คนอื่นฟังว่าเขาอิจฉาหนูเขาเกลียดหนูเออออย่างนี้ก็มีะพูดกับแตละปาดกันไอ้นี้เจอเยอะนะนประเด็นเนี้ยจริงๆเกลียดเขาพูดง่ายแต่พอเวลาพูดกับเราบอกว่านั่นนะ่ะเขาเกลียดหนูกลายเป็นแมวเกลียดหนูไปซะเนี่ย นะออีกตัวอย่างบางทีพูดแต่ความไม่ดีของเพื่อนเพื่อนไม่เคยยกความดีของเพื่อนมาพูดกันเลยอันนี้ต้องแก้ให้ได้นะพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนี้เลยพุทธเจ้าสอนว่าความดีของคนอื่นต้องพูดให้มากความเลวของคนอื่นนี้พูดให้น้อยความดีของตัวเองนี่พูดให้น้อยแต่ความเลวของตัวเองนี่ต้องพูดให้มากนะพุทธเจ้าท่านสอนมาอย่างนี้ นะอีกตัวอย่างนึงเที่ยวจ้องมองคนอื่นหาว่าคนอื่นชอบเพ่งโทษตัวชอบแกล้งตัวหาเรื่องตัวแหมพูดตัวตัวนี่รู้สึกเหมือนตุ๊ดเลยนะเออซึ่งในลักษณะกลับกันผู้ไม่เพ่งโทษไม่หาเรื่องคนอื่นผู้นั้นก็จะไม่หาว่าแบบนี้กับใครโดยจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย คนที่ชอบมีความรู้สึกคนนั้นคอยจับผิดเราคนนั้นชอบเล่นงานเราแสดงว่าจิตตัวเองยังมีความหวาดระแวงอยู่มากนะหวาดระแวงจนบางทีเนี่ยมันคิดไปเองนะคิดจนกระทั่งนะ่ะโทษโน่นโทษ น, ทษนี้โทษนั่นว่า น, นี้จะต้องระวังถ้าเรารู้สภาวะอารมณ์ของจิตเราอย่างนี้เนี่ยต้องหัดหัดปรับหัดแก้จริงๆแล้วมันควรจะเป็นจิตที่อะไรอะรู้สึก เป็นกันเองเป็นเพื่อนนะเป็นมิตรสหายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะจะได้ไม่ค่อยรู้สึกว่าเหมือนกับเขามาเพ่งโทษเราคอยจับผิดเราในความรู้สึกอันนี้มันจะลดลงนะอีกอย่างนึงก็คือตัวเองยังหลงติดกิเลสตัวไหนก็มักจะเที่ยวบอกกิเลสตัวนี้ให้คนอื่นอย่างมีความสุขเช่นอยากแต่งงานก็ชอบจับคู่ให้คนอื่นเที่ยวพูดแต่เรื่องความเป็นคู่ อันนี้ระวังให้ดีนะบางคนอยากกินนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอยากทำงานนะี่ยพูดเรื่องอยากกินบางคนอยากกินก็ชอบพูดเรื่องกินจังเลยนะ <c oughs> โอ้ทัดปรุงให้นันนิดปรุงให้นี่หน่อยโอ้ยมันอร่อยนะตาน้ำอ่ะยี่ห้อน้ําลายสามหยด เราคุยก็อยู่อย่างนั้นเอาโหอร่อยใหญ่เนะจริงๆแล้วก็คืออะไรใจมันอยากจะกิน <c oughs> น, นก็เอามาคุยมาเล่ากันให้ฟังดังนั้นผู้ใดก็ตามยังคงมีความคิดในเชิงไม่ดีในลักษณะนี้อยู่ก็นั่นแหละจิตของตรนเองที่เป็นอย่างนั้นที่เดินเรื่องเปลี่ยนเรื่องอย่างสุขุมคัมภีรภาพแต่ลามก อันนมาบอกแล้วนะคำว่าลามกนี่คือจิตที่มันหยาบคายจิตที่มันเดวร้ายนะลามกนี่มันด้แปลว่าทลึ่งอย่างนั้นอย่างเดียวนะอันนี้หมายถึงว่าเนี่ยจิตที่เราเรามีลักษณะอย่างเงี้ยที่เขายกตัวอย่างมาเนี่ยมันเป็นจิตที่ลามกลีลาลูกเล่นของการลงโทษหรือป้ายร้ายผู้อื่นจึงแพลวพราวอย่างเหนือชั้นถ้าไม่อ่านจิตจับจิตกันจริงๆแล้วไม่มีทางรู้ทันได้ ยิ่งอยู่กับโลกก็ร้องเพลงซา y o n a r ได้ทันทีหมายความว่าไง s a y o n a r หมายถึงว่าลาก่อนนะ <c oughs> อืมอนั่นแหละไม่ไหวแล้วนั่นแหละนะลาก่อน goodbye ตุ Good <bye. S 2> ่ม <c oughs> สังคมทุกวันนี้จึงเต็มไปด้วยการใส่ร้ายเพ่งโทษดินทากันและกัน ล้วนแต่เต็มไปด้วยความไม่จริงใจพยายามทุกทางที่จะหนีความรับผิดชอบแต่พอรับชอบทีไรเป็นไม่เคยพลาดความเป็นมิตรกันที่แท้จริงจึงถูกกระชับกันด้วยใยเชือกเพียงไม่กี่ใยกดหัวคนอื่นได้เป็นธรรมได้เป็นธรรมนี่ทอสนานธรรมนะกดหัวคนอื่นได้แล้วเป็นต้องทาเด็ดขาดเลยเออ ยกตัวยกตนของตัวให้สูงขึ้นผู้กระทำจึงไม่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเพราะสิ่งที่เขาทำนั้นเพียงเพื่อยกฐานะของตนเท่านั้นเองสำนวนเขาเรียกว่าเหยียบหัวเพื่อนขึ้นไปนะไม่มีใครหวังดีหรือเห็นใจต่อคุณหรอกนะอิฉันจะบอกให้ทุกคนเขานินทาว่าร้ายคุณทั้งนั้นแหละค่ะอิฉันฟังแล้วเข้าใจค่ะ ว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีอกฉันคนเดียวจริงๆน้าเจ้าคะที่เข้าใจคุณ <c oughs> อาวงเล็บโลกนี้มีเธอดีคนเดียวที่เป็นคนสมที่เป็นคนโดยสมบูรณ์สาธูวงเล็บปิด <c oughs> อันนี้เขาแบบว่าอะไรอะเซลเซนะลนี่ซลเว่าแหมเราดีแต่พู้เดียวคนเขาชอบว่าคุณยำลองไงเห็นไหมบอกไอ อะไรนะพักนี้มันมี ด, ดีอยู่พักเดียวพักอื่นไม่มีดีเลยพักอื่นก็เลวหมดใช่ไห <c oughs> แต่นั่นเขาว่าแบบประชดประชันมาอันมาถึงบอกว่าต้องมาตรวจดูใจเราจริงๆว่าเรามีจิตอกุศลเรามีเจตนาร้ายอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าเรามีเจตนาดีจริงเราก็อย่าไปกลัวแม้ว่าเขาจะพูดจาเสียดสีน่าจะแกล้งกระทบพระท่านมีนะ บางคนทาดีแล้วกลัวคนพูดจาเสียดสีเพราะหลายคนที่เลิกทำดีไปเพราะว่าโดนเขาพูดอย่างเงี้ยบางทีอะไร อ, ะอย่างเช่นจูงคนข้ามถนนอย่างเงี้ยคนแก่หรือไม่กับคนตาบอดคนพิการอะไรเงี้ยช่วยเขาการถนนบางทีโดนละอย่างเช่นโดนยังไงบ้างจะพูดอะไรเจ็บๆพูดอะไรแบบแบบเสียบอย่างเงี้ย เ, เอออยากได้หน้าอะไรเงี้ยนะ นี่ทำนองเนี่ยบางคนนี่ยทำดีไปแล้วนะจริงๆแล้วควรจะเชื่อมัน่นแล้วก็ควรจะภูมิใจควรมีปิติในสิ่งที่ตัวเองทำดีแต่พอมาเจออย่างนี้เนี่ยนะหูเบาไปหน่อยหูไม่หนักแน่นพอพอเจออย่างนี้รู้สึกอะไรอะ่ะมันอึดอัดมันอะไรอะ่ะเหมือนกับทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีแล้วยังโดนดา่าเพราะฉะนั้นไม่ทำดีกว่า จะได้ไม่ต้องโดนด่าแต่ก็เลยไม่ได้ดีนะมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้นะเราจะต้องยืนหยัดยืนยันอยู่พอสมควร อ, อีกตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่าแม่คะหนูลาออกจากงานแล้วคะ่ะในที่ทำงานทุกคนคอยแต่จับผิดหนูคอยแต่จะนินทาหนูทำอะไรเป็นไม่เป็นไม่ได้จะเล่นงานท่าเดียวนะงเล็บเปิดจีดตัวเองนั่นแหละจับผิดเขา ไม่อย่างนั้นจะรู้ได้ยังไงนะมองได้ผิดคือพู ด, ด, ด, ดง่ายว่าบอกว่าแม้เนี่ยคนอื่นเขาคอยจ้องจับผิดหนูอยู่เรื่อยเลยก็แล้วลรู้ได้งไงว่าเขาจ้องจับผิดไอ้ที่จ้องจับผิดเพราะว่าจ้องเขาอยู่อ่ะนะ น, นี่พูดในมุมกลับให้ฟังมะเออมันน่าคิดนะ